ส่วนความทุกข์ที่อย่างเอาแล้วเนี่ยนะที่จริงมันก็รวมไปถึงความแก่ความเสื่อมของสังขารในร่างกายของเรามันก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพียงแต่เราไม่ทันสังเกตเพราะว่ามันมีการสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนหรือมีการซ่อมแซม ในร่างกายเรานะมันมีเซลตายอยู่ตลอดเวลานะวันหนึ่งก็ตายถึงห้าหมื่ถึงแสนล้านเซลจำนวนมากทีเดียวนะแต่ว่าเราไม่รู้สึกเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยนะของเซลที่เหลืออยู่แล้วก็อีกอย่างนึ่งคือมันมีการสร้างเซลใหม่เข้ามาทดแทนอย่างผิวหนังของเราเนี่ยมันก็ มีการแห้งแล้วก็ตายแต่เราไม่รู้สึกเพราะมันมีการสร้างขึ้นใหม่ผมก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันนะร่วงไปผมร่วงไปก็มีการสร้างผมเส้นใหม่งอกขึ้นมาแต่ต่อไปต่อไปมันก็จะค่อยงอกมันก็จะงอกขึ้นมาได้น้อยลงไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมในร่างกายของเรา ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่ว่าความเสื่อมเท่า น, นั้นนะที่มันยังอยู่ในตัวเราความเจ็บความปวดความปวดความเจ็บความเมื่อยอันนี้เนี่ยจะชัดเจนกว่าความเสื่อมความแก่นี่ต้องใช้เวลานานถึงจะสังเกตเห็ น, เ, น, เ, หนเหมือนเข็มชั่วโมงนะเราดู ผ่านๆก็มันไม่กระดดกเลยแต่ว่าเข็มวินาทีเนี่ยมันจะเคลื่อนมันจะหมุนให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนความแก่ความเสื่อมในร่างกายเรามันเกิดขึ้นช้าๆทีละนิดทีละหน่อยไม่สังเกตนะแต่ว่าความปวดความเมื่อยนี่สินะ มันเห็นได้เร็วเห็นได้ชัดกว่าอย่างตอนนี้หลายคนก็คงจะรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยขึ้นมาแล้วบางทีก็โดนยุงกัดความเจ็บก็แป๊บขึ้นมาเลยอันนี้แหละคือความหมายของข้อความที่ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วฟังดูนี่ก็ชีวิตนะมันก็ชวน ให้ให้หดหูนะเพราะว่าความทุกข์นอกจากจะอยู่เบื้องหน้าเราแล้วนะก็ยังดูติดตามตัวเราตลอดเวลานะชาพุทธเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนี่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มองโลกสวยเท่าไหร่ลโลกสวยคือมองว่าโลกนี้มันจะสดใสนะอนาคตจะช่วงชวชช่วงชัชวานนะแต่ว่าชาวพุทธเราไม่ได้มองอย่างนั้น เรามองว่าสุดท้ายปลายทางนะมันก็ก็คือความเสื่อมความแก่ความตายและแถมยังติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาหลายคนอาจจะนึกว่าเออถ้าหากว่าคนเรานะไม่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วไม่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนี่ยมันคงจะดีไม่น้อยทีเดียวนะเอาแค่ไม่รู้จักปวดไม่รู้จักเมื่อยชีวิตนี้คงจะ มีความสุขขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเราแน่ใจแล้วหรือว่าชีวิตที่ไม่มีความเจ็บความปวดความเมื่อยเนี่ยดีก็เคยมีการค้นพบนะเด็กที่ประเทศปากีสถานเป็นเด็กกลุ่มพิเศษนะก็คือไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดเพราะว่ามันมีความผิดปกติทางเซลล์ว่าทางยีนก็ทำให้ประสาทการรับรู้โดยเพราะ เรื่องความเจ็ความปวดเนี่ยมันหายไปเลยจริงๆไม่ใช่มีแต่เฉพาะปากีสถานนะมีทั่วโลกนะก็มีคนอุตสาหไปคนไปวิจัยมาบอกว่าเนีมีเด็กประเภทนี้เนี่ยหรือมีมีคนที่ไม่รู้จักเจ็บปวดเนี่ยมีเป็นร้อยนะแต่ว่าที่ปากีสถานนี่ก็น่าสนใจได้ยินแบบนี้เราคงจะนึกอยากจะเป็นแบบเด็กเหล่านี้มั่งนะ ก็คือไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดชีวมันจะดีนะเศนอีกอไรนะถ้าโดนน้ําร้อนก็ไม่รู้สึกร้อนนะโดนเข็มแทงก็ไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่าถ้ามารู้จักกับเด็กกลุ่มนี้นะเร า, า จ, จะเปลี่ยนใจก็ได้คือเขาไปพบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะซึ่งมีประมาณ6กเจคนเท่าที่เขาค้นพบเนี่ย เนื้อตัวนี่เต็มไปด้วยแผลแล้วก็แทบทุกคนเลยเนี่ยนะจะปากแหว่งบางคนนี่ก็ลิ้นกุดนะมีบางรายนี่ลิ้นกุดไปถึงหนึ่งในสามทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะเวลากัดฟันเนี่ยการกัดลิ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคนเรานะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกเจ็บเนี่ยเราจะกัดไม่เต็มแรงนะพอ ฟันนี่มกระทบลิ้นเนี่ยเราก็เจ็บแล้วเราก็หยุดทันทีแต่เด็กพวกนี้เนี่ยเขาไม่รู้สึกเจ็บนะเวลากัดลิ้นเนี่ยก็เลยกัดเข้าไปเต็มที่กัดเข้าไปเต็มที่แล้วเป็นแผลก็ไม่รู้สึกเจ็บอีกไม่กี่วันต่อมาก็กัดอีกนะจนกระทั่งลิ้นเนี่ยมันไม่มันไม่หายสักที กลับไปกลับไปลิ้นก็ขาดลิ้นก็กุดนะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนทั้งลิ้นหายไปหนึ่งในสามมันไม่ใช่แค่ลิ้นนะเนื้อตัวก็มีแผลนะบางคนนี่ตามแข้งมีแผลใหญ่เลยแผลเป็นใหญ่เลยหรือบางทียังแผลไม่หายก็ยังมีเกิด <uğ> uh <laughing> จากการที่เวลาซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ย เวลาแข้งมันไปถูกท่อไอเสียเนี่ยท่อไอเสียมันร้อนอย่างเงี้ยนะเด็กก็ไม่รู้สึกนะมารู้สึกทีตอนที่ได้กลิ่นนะกลิ่นไหมไมันอะไรบอกว่าแผลนี่แข้งนี่เป็นแผลแล้วแผลใหญ่เลยแล้วพอเป็นแผลนี่ก็ไม่รู้จักรักษานะแล้วก็ไม่รู้จักระมัดระวังแข้งระวังขาไปเดินเตะอะไรก็ไม่เจ็บมันก็เลยเดินเตะ ถูกน้น่นถูกนี่แผลก็ช้ำแผลไม่หายสักทีนคนพวกนี้นี่ดูเหมือนว่ามีโชคนะแต่ว่าดูๆไปนี่น่ากลัวว่าจะอายุไม่ยืนนะเพราะว่าเวลาเจอเจออะไรที่เป็นของแหลมเนี่ยก็ไม่รู้จักหลบโดนทิ่มก็ไม่รู้สึกเจ็บก็โดนก็ให้มันทิ่มหนักเข้าไปใหญ่ ือเวลาปวดเวลาเมื่อยก็แทนที่จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเรียบอยก็นั่งไท่านั้นจนกระทั่งมันเสียไปเลยมือมีแผลแข ม, มีแผลแทนที่จะระมัดระวังทนุถ น, นอมก็ใช้มันใช้จับจับคอสมั่งหรือว่าจับเคียวเกี่ยวข้าวมั่งหรือว่าฮิ้วน้ำมั่งมันก็ยิ่งเป็นแผลบาดลึกเพลเพลนี้ลิ้ก็จ ะ, ะไม่ใช่แค่ลิ้นอย่างเดียวนะ นิ้วก็จะค่อยๆกุดไปด้วยบางทีแผลมีนิดหน่อยนะไม่รักษาไม่หาย า, ยามาทาหนูก็มาแทะนะกลางคืนอาตมานี่ยังเคยโดนหนูแทะเลยนะแทะหูนอนอยู่นะไม่ได้กลางงงนะกังคืนหนูก็มาแทะที่หูแต่ว่าเนื่องจากรู้สึกเจ็บก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็สะบัดนะไล่มันไปจต่คนที่ไม่สุกเจ็บเนี่ยนะ โดนหนูกัดก็ปล่อยให้มันกัดไปเรื่อยๆจนเป็นแผลแต่ละวันลงขึ้นมันก็มากัดใหม่จนหูแหว่งก็มีเป้อนใจได้มาว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้สึกเจ็บแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะให้ความเจ็บความป่วยนี่ธรรมชาติให้มาเพราะว่ามันมีประโยชน์มันช่วยทำให้เราเนี่ยพยายามหนีห่างจากอันตราย หรือพยายามปกป้องตัวเองไม่ให้ภัยมาคุกคามมันจะมีความเร็วเป็นพิเศษนะความเจ็บปวดนี่มันเป็นสัญญาณเตือนนะพอเจอของร้อนถูกของแหลมเนี่ยเพียงแค่ปุ๊บเดียวนั่นแหละนะเราก็จะชักลิ้นชักชักมือออกมาชักนิ้วออกมาหรือดึงแขนออกมาเพื่อไม่ให้ถูกของร้อนเพื่อไม่ให้ถูกของแหลม เล่นงามมากไปก่อนนี้ความเจ็บปวดจะมีประโยชน์นะมันช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยและช่วยทำให้มีอายุยืนด้วยไม่ใช่ความความปวดทางกายนะความปวดทางใจก็มีประโยชน์นะมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมถ้าหาว่าคนเราเนี่ยไม่มี ไม่มีความทุกข์เลยนะในการที่จะเข้าหาธรรมและพบความสุขที่ประณีตจนเป็นจิตจนมีจิตที่อิสระเนี่ยก็ยากคนที่มีแต่ความสุขความสบายความสำเร็จเนี่ยจำนวนไม่ น, น้อยนี่ก็เรียกเป็นคนไทยห่างไกลธรรมะพอมาเจอความทุกข์เข้านะบางจิตตั้งตัวไม่ทันนะแต่หลายคนเนี่ย ได้สายความทุกข์เนี่ยนะเป็นตัวผลักให้ข้อหาธรรมะนพวกเราคงรู้จักท่านโกเอนกานาะท่านโกเอนก้านี่ก็เป็นวิปัสสนาจารย์ชาวพมา่าเชื้อสายอินเดียนะที่มีชื่อเสียงมากเป็นผู้ที่ทำให้ฝรั่งเนี่ยรู้จักคำว่าวิปัสสนาเพราะว่าท่านตั้งศูนย์วิปัสสนาไปทั่วโลกแล้วก็เป็นที่นิยมมาก ในยุโรปในอเมริการวมทั้งในเมืองไทยก็มีศูนย์นะวิป 6, 7, สัสสนา670ได้ตอนหนุ่มๆ ห, หรือแม้กระทั่งเข้าวัยกลางคนท่านก็ไม่ได้สนใจธรรมะนะเพราะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเป็นประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุสามต้นๆเป็นนายกสมาคมนะนักธุรกิจชาวอินเดีย ท่านเป็นฮินดูนะไม่ได้เป็นชาวพุทธชีวิตก็คงจะลงเอยเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลถ้าหากว่าไม่บังเอิญเป็นโรคไมเกรนท่านเป็นไมเกรนปวดหัวมากมีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายไปถึงยุโรปไปถึงอเมริกาเงินที่มีก็ช่วยไม่ได้เลยแถม ติดมอร์ฟีนก็ไปอีกเพราะว่าหมอก็ให้มอร์ฟีนแล้งับปวดมันก็ระงับชั่วคราวแต่ผลที่เกิดขึ้นคือว่าติดมอร์ฟีนกว่าจะรักษาให้หายจากมอร์ฟีนให้ยให้เลิกมอร์ฟีนใน้กนนานชีวิตนี้ก็ดูเหมือน่าหมดหวังและไอ้ไมเกรนเนี่ยแต่บังเอิญก็มีคนแนะนำว่าลองไปทำสมาธิเสียที่พม่านี่ก็มี รูบาจารยด้านสมาธิหลายคนที่เป็นคารวาสก็มีชื่ออยู่อย่างเช่นธนูบาคินเป็นข้าราชการชั้นสูงแต่ว่าสนใจสมาธิภาวนาอาจารย์กวอนก้าก็ไม่สนใจแนะไม่ศรัทธาเรื่องสมาธิแต่ว่าไม่มีทางไปแล้วก็เลยอลองไปนั่งสมาธิดูประมาณ10วันนะคอร์สหนึ่งประมาณ10วัน ช่วงสองสามวันแรกนี่ก็ทรมานมากกระสับกระส่ายแต่ว่าพอปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าจิต ก, ก็เริ่มนิ่งแล้วก็เพราะว่าเออมันช่วยได้นะลดความลดไมเกรนได้ก็เลยปฏิบัติเป็นประจำจนกระทั่งไมเกรนหายแล้วก็อาจารย์ก็ชวนให้มาเป็นผู้ช่วยสอนกรรมฐาน ตอนหลังมีเหตุที่ต้องไปอินเดียเพราะพ่อแม่ป่วยท่านเป็นตระกูลของท่านเนี่ยมาจากอินเดียแม่ป่วยแม่อยู่ที่อินเดียก็เลยไปดูแลแม่ไปดูแลแม่แล้วก็เลยอาจารย์ก็เลยมอบหมายให้ปเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานที่นั่นซะเลยก็เลยทำให้ท่านเอาจริงเ อ, อจาจังกับการสอนกรรมฐาน จนแพร่หลายทั่วอินเดียแล้วก็ไปถึงอังกฤษแล้วก็ยาไปถึงยุโรปหลายประเทศในยุโรปอันนี้เรียกว่าเป็นพราะไมเกรนแท้ๆนะทำให้ท่านอาจารย์กว้ ง, งการนี้หันมาสนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะและพบความสุขท่านถึงก็บอกเลยว่าตอนที่เป็นนักธุรกิจแม้ประสบความสาเร็จเนี่ยแต่ว่า ไม่มีความสงบใจเลยแต่ว่าพอเลิกจากธุรกิจมาปฏิบัติธรรมนี่ได้คนพบความสุขที่ประเสริฐยิ่งไม่ใช่แต่คารวานนะพระบางรูปนี่ท่านมาพบธรรมมาจริงๆนี่ก็ตอนที่เจ็บป่วยนะอันนี้ก็แปลกอย่างสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโซเนี่ยนะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะ เป็นสังฆนายกนะสมัยก่อนมีตำแหน่งสังฆนายกนะก็คือเหมือนกับนายุทธมนตรีฝ่ายสงฆ์อันนั้นเป็นพรบรสงฆ์ฉบับเก่าฉบับใหม่นี่ไม่มีแล้วท่านเป็นคนที่ศึกษาด้านประธรรมมากนะแต่ว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องสมาธิภาวนาแล้วก็มีทัศนคติที่เป็นลบต่อพระป่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระป่าสาจันมั่น กำลังกำลังขยายตัวเวลาท่านได้ข่าวว่ามีพระสายอาจารย์มั่นหรือสายวัดป่าเนี่ยมาเข้ามาอยู่ในเขตปกครองท่านนี่ท่านจะไม่พอใจมากมีช่วหนึ่งท่เป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานสมัยก่อนนี่มณเราปกครองแบบมณฑลนะสมัยการที่ห้าแลการที่67เจ็นี่ยท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานได้ได้ข่าวว่ามีพระลูกศิษย์ของ หลวงปูสิงหขันทยาคาโมหนุงปู่สิงห์นี่ท่านก็เป็นเป็นสายธรรมของหลวงปู่มัน่นมาจากลฤกอยู่แถวเขตปกครองของท่านที่อุบลท่านก็สั่งให้เจ้าคณะอำเภอขับไล่ออกไปท่านไม่ศรัทธาพระป่าเพราะว่าไม่อยู่ประจําที่แล้วก็ไม่ศึกษาปฏิธรรมแต่ว่าถ้ามาเปลี่ยนความคิดนะ ตอนที่ท่านป่วยท่านป่วยนี่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะตอนหลังไปเจอกับอาจารย์ฟัน่นอาจารย์ฟั่นนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นอาจารย์ฟั่นก็ท่านมีความรู้ด้านสมาธิแล้วก็สมุนไพรก็ให้แนะนําเรื่องสมุนไพรแล้วก็เติมสมาธิเข้าไปด้วยท่านปฏิบัติแล้วพบว่าอาการดีขึ้นจนกระทั่งเป็นปกติเลยนะ ให้ความปวดความปวดผัวความเครียดนี่ก็หายไปท่านถึงค่อยประจักษ์แจ้งในสมาธิภาวนาถึงก็ออกปากว่าตลอดชีวิตของเรานี่ไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิภาวนามันจะมีประโยชน์ถึงเพียงนี้นะอันนี้พระพูดเองนะทั้งที่ท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่แล้วท่านหามาสนใจสมาธิภาวนาก็ต่อเมื่อป่วยนะยา แผนใหม่รักษาไม่หายพอมาทำสมาธิเก็เลยศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดความเคารพศรัทธาในจันมั่นเพราะเห็นว่าขนาดลูกศิษย์นี่ยังเก่งขนาดนี้ครูบาอาจารย์จะขนาดไหนให้ความเจ็ป่วยมันสามารถที่จะผลักให้เรา เ, เข้าหาธรรมหลายคนเป็นมะเร็งนะไม่รู้ว่าจะเป็นตายล้ยดียังไง การแพทย์แผนหมยก็ไม่น่าไว้วางใจไม่สามารถจะเป็นหลักประกันได้ร0 0ยอซให้ความกลัวตายก็ทำให้หันมาสนใจธรรมะเพื่อช่วยทำให้สงบใจพอได้พบกับความสงบนะจากการปฏิบัติธรรมพอได้รู้ถึงจุดหมายของชีวิตคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเมื่อได้ศึกษาธรรมแล้วเนี่ยบางคนก็ถึงกับออกปากอุทานขึ้นมาว่า นะโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณมะเร็งนะที่ทำให้จะมาพบธรรมะทีถ่ถ้าไม่เป็นมะเร็งนี่ก็คงจะไม่ได้เจอธรรมะเลยนอกจากความเจ็บป่วยและความพัดพพ่านี่ก็เป็นตัวผลักชั้นดีเลยนะผลักให้ข้อหาธรรมะได้ในสายพุทธการก็มีตัวอย่างเยอะมากเลยนะ ตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือสันติอัมมาสันติอัมมานี่ก็เป็นอัมมาตคอนเสนิร์ของพระเจ้าประสิทธิโกศลม่อนนี้ก็พูดถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลไปครั้งหนึ่งแล้วสันติอัมมานี่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพระเจ้าประสิทธิโกศลมากทําความดีความชอบถึงกับมอบราชบัลลังก์ให้ปกครอง7วันนะมีนะ ให้เป็นกษัตริย์อยู่7วันเพื่อตอบแทนความดีความชอบซันตเตเย ม, มาร์ก็ดีใจนะเลยก็เลยเสบสุขเลี้ยงฉลองกันเป็นการใหญ่ไอ้7วันเนี่ยไม่ได้วาราชการอะไรเลนะเลี้ยงฉลองเพราะว่าล่ามาถึงตัวแล้วนะก็เสพสุรายาเมานะเลี้ยงกันอย่างเอ็นน้ำสำรานและที่สำคัญก็มีก็คือมีการ ให้นางฟอ้อนรำมาฟอ้อนให้ดูตลอด7วันนะโดยเพราะมีนางมีหญิงคนนึ่งนะเป็นที่โปรดปรานมากก็ให้ฟอ้อนรำเนะี่ยเช้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นก็มีเรื่องเล่าว่าพอวันที่7เนี่ยวันสุดท้ายของการที่จะได้คลองลากนะซานตเตยามาดก็ไปส่งน้ำนอกเมืองสมัยก่อนนี่นิยมส่งน้ำกันในศาลนะ ก็ไปพบพระพุทธเจ้ากำลังเดินผ่านมาก็ไหว้สักการะพระพุทธเจ้าอย่างนอบน้อมแต่ก็ไม่ได้สนทนาอะไรกันสันติตธรรมเสร็จแล้วก็ไปฉลองต่อไปดูนางสนมไปดูนางกำนันฟอ้อนรำเพราะ ว, ว่าหญิงคนโปรนี่ฟอ้อนมาเจ็ดวันเจ็ดคืนหมดสภาพ เป็นลมล้มตายต่อหน้าตอนเตรีย ม, มานิตกทั้งตกใจแล้วก็เสียใจนะว่าคนโปรดได้ตายจากไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็รู้สึกผิดที้ว่าตัวเองมีส่วนทำให้นางตายหายเมาเลยนะความเมานี่หายไปแล้วก็เศร้าโศกเสียใจมากไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจได้ก็เลยนึกถึงพระ เ, เจ้าซึ่งพบกันเมื่อเช้า ก็เลยเข้าไปในเชวเข้าไปที่เชตวันนะก็ไปกราบทูลว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็แสดงธรรมนะแสดงธรรมให้ปล่อยวางนะปล่อยวางเรื่องอดีตนะอย่าไปกังวลถึงอนาคตแล้วก็ตรัสว่าเนี่ยถ้าหากว่าไม่ยึดติดถือมันในปัจจุบันจิตก็จะสงบนะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเป็นสุข พอผู้จ้าจัดจบเท่านี้แหละจัน ต, ติอัมมานี่ก็บรรุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทันทีเลยนะี่เป็นพระอาหารหันต์ที่เมื่อสักครู่นี่ยังเมามายอยู่เลยแต่ว่าที่บรรุทธรรมเพราะอะไรเพราะว่าได้เจอความเศร้าได้เจอความพัดพลาดนะได้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่พระเจ้าสอนคืออย่าไปยึดมั่นในขันท่าอย่าไปยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองความทุกข์ที่สันตติอามาตยได้ประสบด้วยตัวเองนะเมื่อสักครู่นี้นะมันทําให้เห็นธรรมะของพระองค์อย่างจําแจ้งเห็นโทษของความยึดมั่นถือมันก็ปล่อยวางทันทีนะจิตก็หลุดพ้นเป็นพระรหรัน เป็นผ้ารันทั้งทั้งที่ยังไม่ได้บวชนะเราก็ ท, ทั้งทั้งที่เพิ่งกินเหล้าเมาไม า, มาแต่ว่าที่ท่านบรรลุทาได้เพราะว่าได้เจอความพัดพลาดความพัดพลาดสูญเสียความพัดพลาดสูญเสียคนรังนี่มันเป็นพลังนะในแง่หนึ่งก็เป็นข้อกรรมนะแต่ในแง่หนึ่งมันก็ผลักดันให้คนเนี่ยเข้าหาธรรมะได้ตตอตมาได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะ เมื่อส5หปีก่อนันนเธอมีลู ก, ลกชายอายุ15นะมาขอขอลาแม่ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย15ก็ยังเด็กนะแต่แม่ก็เห็นว่าลูกชายเป็นคนที่รับผิดชอบถ้าไปอินเดียก็น่าจะดีนะเพราะอินเดียนี่ก็ได้ไปเรียนภาษาด้วยแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเมือง แต่อุ ด, ดมไปด้วยวัฒนธรรมก็อนุญาตให้ลูกไปบอกว่าลูกไปได้ไม่กี่เดือนก็เกิอดอุบัติเหตุจมน้ำตายแม่นี่พอได้ยินข่าวนี้ก็เรียกว่าแทบจะเสียศูนย์เลยนะเพราะว่านอกจากจะเสียใจที่ลูกตายแล้วก็ยังรู้สึกผิดด้วยเธอก็โทษตัวเองนะว่า เป็นเหตุหรือมีส่วนทำให้ลูกตายเพราะถ้าเธอไม่อนเนี่ยให้ลูกไปลูกก็ไม่ไปตายที่นั่นก็จะแต่โทษตัวเองเนี่ยฉันไม่น่าเลยนะไม่น่าอ น, นุาให้ลูกไปเลยในความสุขพินกัดกินใจมากนะจนเรียกว่าแทบไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยแต่ตอนหลังก็มีเพื่อนแนะนำว่าเนี่ยเป็นอาการของเธอแล้วก็แนะนำว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่า เธอก็ไม่มีศรัทธานะแต่ว่ามันไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วก็เลยลองไปปฏิบัติทำพอได้ศึกษาทมก็เริ่มตระหนักเลยว่าเออคนเรานี่ชีวิตมันไม่แน่นอนนะความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิตบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นทั้งหมดนี่ก็รู้และแต่เป็นเพรกรรมของตัว เมื่อได้เห็นความจริงแบบนี้ก็เริ่มทําใจคลายความเศร้าโศกจากการการที่ได้ปฏิบัติทําได้เจริญสติก็ทําให้ได้รู้เท่าทันอย่างความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นโดยพ่อเวลามีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเวลามีความคิดอะไรหรือว่าซ้ําเติมตัวเองโทษตัวเองก็รู้ทันความคิดนั้นเมื่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ความรู้สึกผิดมันก็กอบกินใจไม่ได้ สุดท้ายเธอก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติและปรากฏว่าชีวิตนี้จิตใจสงบกว่าเดิมเป็นสุขกว่าเดิมสุขกว่าตอนที่ยังไม่สูญเสียลูกซีอ่ะเธอถึงกับออกปากว่านะขอบคุณนะขอบคุณลูกนะที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรมะลูกไม่ได้ช่วยทาให้แม่พบธรรมะตอนที่ลูกมีชีวิตอยู่นะแต่ว่า ความตายของลูกเนี่ยที่ทำให้แม่ได้พบธรรมะท่านเธอจึงก็พูดว่าความตายของลูกเนี่ยคุ้มค่าแม่น้อยคนนาะที่บอกว่าความตายของลูกนี่คุ้มค่าเพราะว่าความตายของลูกนี่ยิ่งใหญ่เสมอนะแต่ว่ามันคุ้มค่าในแง่ที่ว่าทําให้แม่ได้มาพบกับชีวิตอันประเสริฐนะไม่ใช่เป็นการตายที่ศูนย์เปล่าบนะ่าอยครั้งเราปล่อยให้คนรักของเราตายไปอย่างศูนย์เปล่า โดยที่เราไม่ได้อะไรจากความตายของคนรักเลยอาจจะได้ก็ได้แค่ทรัพย์สมบัติมรดกนะซึ่งมันก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่ถ้าได้มรดกนี่ก็ยังไม่คุ้มนะกับความตายของคนรักแต่ถ้าได้มาเจอเจอพระธรรมเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผลได้ที่คุ้มมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่ ได้มาพบธรรมเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเพราะว่าความทุกข์เนี่ยเป็นตัวผลักความทุกข์จึงมีประโยชน์มากนะสามารถที่จะผลักเราให้เข้าหาธรรมะได้ที่จริงความทุกข์เนี่ยนะถือว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะข้อหนึ่งเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์สอนเรื่องอริยสัจสีเนี่ยก็ทรงยกเอาทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจข้อแรก เป็นความจริงอันประเสริฐข้อแรกเป็นความจริงอันประเสริฐนะไม่ใช่เป็นความจริงที่เลวร้ดำมืดนะแต่เป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยทุกนี่แหละอเลสสัตว์อีก3ข้อเนี่ยเราจะเข้าถึงไม่ได้เลยนะถ้าหากว่าไม่เจอทุกแล้วก็ไม่ผ่านทุกจะเรียว่าทุกนี่เป็นประตูสู่ธรร ม, มะที่ลึกซึ้งก็ได้ เราจะเข้าใจสมุทยัยเราจะเข้าถึงนิโรธแล้วเราจะเจริญก้าวหน้าในองค์มรรคเนี่ยก็เพราะเราเจอทุกก่อนถ้าไม่เจอทุกเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปถึงสมุทยัยนิโรธมรรคได้แต่บางคนเจอทุกแล้วก็ติดตันอยู่แค่ทุกนะไม่ผ่านไม่ผ่านไปเจออริยสัจอีก3ข้อหลัง แต่ถ้าว่าคนที่ฉลาดเนี่ยนะเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยเขาก็จะอาศัยทุกข์เนี่ยเป็นตัวผลักให้เข้าหาสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคได้ที่จริงอย่างที่บอกไว้แล้วว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวผลักให้เข้าหาธรรมแต่ว่าในตัวทุกข์เองเนี่ยมันก็เป็นธรรมะนะตัวทุกข์เองก็เป็นธรรมะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่า ถ้ามองไม่เป็นก็เห็นว่าทุกเนี่ยคือข้อกรรมนะที่มาซ้ำเติมที่เราอยากจะหนีที่น่ารังเกียจน่าผักใสแต่ถ้าเรารู้จักมองไอ้ทุกนี้ก็จะกลายเป็นธรรมได้มีพระอาหารหันต์จำนวนไม่น้อยเลยนะที่ท่านบรรลุธรรมในขณะที่มีความทุกข์อย่างเช่นพระติสสะเทระนี่ท่าน เป็นโรคที่สังคมรังเกียจแห่ผู้พองเต็มตัวน้ำเหลืองไหลเยิ้มทรงกลิ่นเหม็นจนกระทั่งพระเนี่ยดูแลรักษาไม่ไหวพากันหนีพระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวก็เลยเสด็จมาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาผ้าตีวรที่เปื้อนน้ำเหลืองเปื้อนอุจจาระปัสสวะเอาไปซัก เอาไปต้มแล้วก็ตากพอเช็ดนเช็ดตัวทำความาสะอาดีวรแล้วเนี่ยปฏิาสาตร์ท่านก็รู้สึกดีขึ้นแต่ความเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ยังรุนแรงอยู่เพราะตอนนั้นท่างใกล้มรณภาพแล้วพระวิจาแสดงธรรมสั้นๆว่าเนี่ยร่างกาย นี่ไม่เที่ยงนออีกไม่นานเมื่อวิญญาณละจากร่างไป <c oughs> ก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้ท่านพิจารณาตามนะก็บรรลุธรรมเป็นพระรหันต์เลยแล้วก็บรุษุเรียกว่าหลุดพ้นนขณะที่จิตในขณะที่สิ้นลมพอดี เรียกว่าสิ้นทุกข์พร้อมกับสิ้นลมอันนี้ต้องเรียกว่าเนี่ยถ้าท่านไม่เจ็บปวดนะไม่เจ็บป่วดนะก็คงจะไม่เห็นธรรมอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งเห็นโทษของสังขารแต่ความเจ็บป่วยทําให้ท่านเห็นโทษขอาสังขารเป็นทุกข์มากดิษถือไม่ได้เลยพอเห็นความจริงแบบนี้เข้าเนี่ยจิต ก, ก็ปล่อยเลยนะพอปล่อยวางจิต ก, ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ บรรลุอรหัตผลอันนี้เรียกว่าบรรุธรรมเพราะความเจ็บปวดพิสุนีบางท่านก็เหมือนกันนะแกเดินก็ย่องก็แย่งดูหน้าหน้าเป็นห่วงมากจะขยับขยื่นแต่ละทีนี่ก็ลำบากมีคราหนึ่งอยู่ๆก็เดิน ตั้งที่มีเท้ามีไม้เท้าค้ำอยู่แล้วก็ยังล้มตัวกระแทกพื้นเจ็บปวดมากแต่ในช่วขณะนั้นท่านมีสติเห็นเลยนะว่าสังขารเป็นทุกข์เหลือเกินไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นมันสอนทาให้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์จิต ก, ก็หลุดพ้นทันทีเลยเพราะว่าเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมว่าสังขาร น, นี่มันไม่น่ายึดถือเลย เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันมันไม่ว่าความเจ็บก็ดีความปวดก็ดีหรือความป่วยก็ดีเนี่ยมันเป็นธรรมะที่สอนให้เราเนี่ยเห็นธรรมชาติของสังขารนะจนกระทั่งรู้ว่าปล่อยมีแต่ปล่อยวางเท่านั้นแหละนะที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ พระอาจารย์ถึงบอกว่าทุกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวผลักให้เขาหาธรรมเท่านั้นนะแต่ตัวทุกเองเนี่ยมันก็เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งด้วยเหมือนกันเป็นธรรมะในตัวมันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่านะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าถ้าเรามองไม่เป็นนี่เราก็ บนตีโพยตีพายโวยวายหรือว่าปล่อยจิตให้โมโหให้โกรธนะอันนี้มันจิตเป็นอกุศลนะถ้าเราปล่อยจิตแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราหันมาพิจารณาทุกนะมันก็จะเห็นธรรมได้ทันทีเลย ให้ความแตกต่างอยู่ตรงนี้แล้วว่าว่าเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นทุกข์หรือเราจะเห็นทุกข์นะครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเนี่ยทุกข์มีไว้เห็นนะไม่ใช่มีไว้เป็นความแตกต่างตรงนี้นะว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเห็นหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราก็สามารถจะมองทะลุไปถึงสมุทัยนิโรธมรรคได้ แต่ถ้าเราไม่เห็นเราเป็นนะจิตก็เป็นอกุศลทันทีแ้ถ้ า, ถ, าถ้าตายไปในภาวะจิตเช่นนั้นนี่ก็ไปอบายทันทีแต่ถ้าเราหากรู้จักมองจนท่านังเห็นทำที่มันแฝงอยู่ในทุกนะจิตเราก็สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้คือทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์นะอันนี้ทาได้นะ แล้วเราจะเห็นได้อย่างไรนะก็ต้องเห็นได้ด้วยสติเป็นเบื้องต้ น, เ, นเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยถึงสำคัญมากเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเห็นทุกข์ถ้าไม่มีเครื่องมือนี้นะเราก็เป็นทุกข์เลยนะอ่ะล่ะชา้านี้ก็พูดกันเท่านี้ก่อนอกลับมาพร้อมกัน